ที่วัดป่าหัวตลบว่านารามวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยห้าสิบเก้าเรื่องเส้นผมบังภูเขาโดยหลวงตานรงศักข์ขีนารายโยยุงเทพไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเนะี่ยอายุเกือบเก้าสิบหรื อ, รอเก้าสิบลยนี่ไอที่เป็นห่วงนะที่เมื่อกี้พยายามสอนแกเพราะว่าแกอยูเก้าสิบแล้ว เวลามันจํากัดเวลามันจํากัดแล้วตอนนี้มันไม่ได้เจอกันนานแล้วแกก็มาหาไม่ไหวบอกแกเดินไม่ค่อยได้แนละ้วตอนนี้แล้วอยู่กรุงเทพด้วยเป็นหมออยู่กรุงเทพแล้วมันเดินไม่ค่อยไหวอายุแกเกือบเก้าสิบแล้วเราก็เป็นห่วงแกมากเพราะว่าอายุมากแกก็ยังปฏิบัติแบบแค่อยู่กับปัจจุบนันอยู่ปัจจุบันเดินกันว่า ตัวอยู่ไหนจะอยู่ น, นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นแกปฏจจิบัติอยู่แค่นี้แกยังปฏิบัติอยู่แค่เอาไปรู้ว่ากายทาอะไรอยู่บทภายนอกแต่มันยังไม่รู้เข้าไปถึงใจมันยังไม่รู้ทั้งกายแล ะ, และใจและยุคมันมากแล้วมันจะไม่ทันการปล่อยวางเราไม่เราก็วง่นใจแกมันไม่เหลือแต่รู้เททีถ้าอย่างนี้มันก็จะแค่เอาตัวเราเนี่ยไปรู้ว่าเราเนี่ยกินเดินนั่งนอน เหมือนที่เขาไปปฏิบัติกันนะที่อะไรพ อ, อพออาริยบทไปทําอะไรก็บริกรรมกากับอริยบทนั้นจะยืนจะกินจะตัดอาบน้าอะไรก็กํากับอริยบทนั้นเนะ่ะเอาเอาตัวเราเนี่ยไปกํากับอาริยบทไอ้อย่างเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ทันคนทุกข์ไม่ทันแล้วตายก่อนเพราะโมจะไปกํากับอริยบทมันไม่รู้ใจของตัวเองเพราะว่ากิเลสม่เกิดจากใจ ความพ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ที่ใจนี่แน่ความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่ที่ใจความพ้นทุกข์มันก็ทุกพ้นทุกข์อยู่ที่ใจแต่นี้ไปเอาเรื่องกายซะมันก็เลยมันก็เลยไม่ทันกันจะตายแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องมันยังแบบว่าเข้าไม่ถึงใจตัวเองเพราะว่าความทุกข์ต้องมวลกิเลสต้องมวลความทุกข์ต้องมวลเนี่ยมันเกิดที่ใจมันก็ดับไปที่ใจดวงรู้นี่แน่ดวงรู้นี่แน่ก็รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้อย่างเดียวรู้ตะพื้นตะพื้นรู้อย่างเดียวก็รู้ไม่ทำได้หรอกครับ ก็รู้อย่างธรรมชาติรู้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยพยายามไปรู้ตรงไปตรงมาแต่ธรรมชาติเนี่ยตัวเราเป็นยังไงเขาต้องรู้แต่ไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนไปรู้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะต้องรู้ตัวเราเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาให้เราไปเป็นธรรมชาติรู้ซะโดยจะเป็นธรรมชาติรู้ได้ยังไงก็คือมารู้ตัวเราเนี่ยอย่างตรงไปตรงมา รูตัวเราจากตรงไปตรงมาได้ไงเมื่อกี้ก็บอกหมออย่างที่ว่าเวลาเราไม่เราเราอิ่มข้าวความรู้อิ่มข้าวเนี่ยมันรู้ขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ต้องจงใจเพ่งเจตนาเพ่งตั้งใจเพ่งพยายามเพ่งพยายามจะดูความรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยว่าร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันแอบคิดอะไรกับใครมีอารมณ์อย่างไงสบายใจไม่สบายใจอย่างไง มันรู้ขึ้นมาเลยโดยเราที่เนี่ยไม่ต้องจงใจเข้าไปดูจิตไม่ต้องพยายามเข้าไปดูจิตไม่ต้องพยายามมาดูมารู้ตัวเราคือตัวเราเป็นยังไงเนี่ยมันจะรู้ขึ้นมาเลยขอให้เราเนี่ยอย่าสติขาดกุ้งซ่าเพลิดเพลินเจริญใจไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่สติขาดกุ้งซ่านไปออกไปข้างนอกเราก็จะรู้ตัวเราตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ตัวเราเป็นอะไรมันจะต้องรู้ยกเว้นว่าเราเนี่ย ไม่มีสติสติขาดเมือเผลอเพลินคิดปุ่งซ่านอะไรไปถ้าเราเหม่อเม่อเผลอเพลินคิดปุ่งซ่านอะไรไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะไม่รู้ตัวเราแต่ถ้าเราเนี่ยมีสติอยู่กับตัวเนี่ยมันจะรู้ตัวเราตลอดไอ้รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเพ่งหลายคนปฏิบัติเนี่ยดูจิตพยายามจะเพ่งเข้าไปในจิตพยายามจ้องดูพยายาม พยายามจะดูพยายามจะรู้อันนี้มันผิดอันนี้มันผิดคือรู้เนี่ยมันก็คือรู้อย่างธรรมชาติที่ที่มารู้ตัวเรานี่แน่คือตัวเราอิ่มก็รู้ว่าตัวเราอิ่มตัวเราเนี่ยหิวก็รู้ว่าตัวเราหิวตัวเราง่วงนอนก็รู้ว่าตัวเราง่วงนอนตัวเราสบายใจก็รู้ตัวเราสบายใจตัวเราไม่สบายใจก็รู้ตัวเราไม่สบายใจมันธรรมชาติมันไม่ต้องไม่ต้องทําลักษณะเหมแบบว่าเราอาจิตเนี่ยเหมือนกับโค้มหน้ามองเข้าไปในตัวเราแล้วก็เพ่งเข้าไปในตัวเราอย่างเงี้ย มันเป็นธรรมชาติที่รู้ตัวเรามันเป็นธรรมชาติถ้าเราเนี่ยสติไม่ขาดแล้วสติจิตใจอยู่กับตัวเนี่ยเราจะรู้ตัวเราตลอดเวลาว่าเราไปจากใครแล้วเราก็รู้ตัวเราแต่รู้ตั้งลมหายใจก็ออกรู้ทั้งจิตที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ไอ้ที่มันรู้ลมหายใจก็ออกก็เพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อให้มันรู้ว่าเนี่ยให้จิตใจมันอยู่กับตัวไม่พุ่งสร้างไปที่อื่นถ้าเราไม่ชอบรู้กับลมหายใจก็ออกเราก็รู้คําบริกรรมพุโทโธไว้ก่อน พุธทธพุธโทโธพุทโธทธไม่ว่าจะยืนเดินนัน่งนอนทากิจาการงานาใดก็รู้คำปฏิกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโทธโทไว้เพื่อปิดปิดสุดใหม่ใครจะถามหลองตาครับเพราะว่าบางทีอ่ะสังเกตุกตัวเองแล้วก็คนอื่นนะที่บอกคนนี้เขาบอกว่าเขาไปฝึกมาแล้วแล้วผมฝึกมาแล้วเนี่ยพางทีอกิเลสข้าวเลยเนี่ยหรือจะเลาะ ก, กับใครเนี่ย มันมันมันทํามันทํำเร็วๆมันไม่ได้ไงมันก็จะคิดคิดคิดคิดคิดอยู่นั่นแหละครับคิดแบบบางทีอะคิดบางทีบางสมัยก่อนเนี่ยมันจะนอนไม่หลับเลยบางคนก็จะติดจนบงก็จะเครียดไปเลยอะครับบางทีอะเคยมีอาการเป็นอย่างเงี้ยแต่แต่ถามว่ามันคิดไหมมันคิดมันคิดอะมันคิดในใจคิดคิดคิเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีดีดีดี๋ยดพูดอย่างนี้ดีมากครับเนี่ยมันคิดคิดคิดแต่ว่า มันความความรู้สึกปล่อยวางอะมันมันยังไม่วางจริงๆเดอะมันก็คิดคิดคเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดมาหันเลยเนี่ยเข้าใจผิดมาหันเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดีเนีนะพูดที่พูดจับไม้พูดเข้าใจผิดมาหันเลยจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจด้วยเวลาเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอบบคุณสมุญดาเพื่อนผมอะเขาก็บอกว่าสมุญญามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็ยังคิดคิดคิดทำไมเขาวางไม่ได้เขาบอก ก็ไม่รู้นะแต่เราก็บอกเราพยายามที่จะเดินหนีเดินหนีมันก็ไม่หายไปนั่งที่ไหนมันก็ไม่หายบอกว่าไปกินข้าวเพื่อนมันก็ไม่หายมันก็ยังคิดบอกเออก็คิดไปมันจบเลยเ่างนี้คิดตามจบเลยจบเมื่อไหร่มันก็เหนื่อยก็จบและวเขาก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแต่กลับมาอีกมันก็คิดอีกคิดอีกก็ไม่พอใจมันปฏิบัติอิจารีบอกม ธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอะธรรมชาติมันก็รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงธรรมชาติมันไม่ได้มาช่วยให้เราไม่หยุดคิดเราปวดท้องธรรมชาติมันก็รู้ว่าเราปวดท้องธรรมชาติมันไม่ได้ช่วยให้เราหายปวดท้องเราหิวข้าวธรรมชาติมันก็รู้ด้วยว่ารู้ว่าตัวเราเนี่ยหิวข้าวธรรมชาตินั้นไม่ได้มาช่วยให้ตัวเราเนี่ยไปตักข้าวกิน เราเนี่ยคิดอยู่ธรรมาชาติมันก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยคิดอยู่เราสบายใจธรรมชาติก็รู้ว่าเราสบายใจเราไม่สบายใจธรรมชาติก็รู้ว่าเราไม่สบายใจคือธรรมชาติเนี่ยมันรู้ตัวเราเนี่ยตรงไปตรงมาช่วยเราไม่ได้ช่วยตัวเราไม่ได้เป็นนั่นแหะที่เราบอกว่าเข้าใจผิดก็เพราะว่าเราเข้าใจว่าทารู้แล้วมันต้องไม่คิดอันเนี้ถึงบอกว่าเข้าใจผิดพลาดมาหันเข้าใจผิดพลาดมหัน คือธรรมชาติของตัวเราเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพราะมันเป็นขันธ์ห้ามันต้องเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันได้แต่รู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรแต่ขั้นถามว่ารู้เนี่ยคือใครไม่มีใครตอบได้เราอิ่มข้าวธรรมชาติมีธรรมชาติสิ่งหนึ่งก็มารู้ว่าตัวเราเนี่ยอิ่มข้าว เราหิวข้าวธรรมาชาติก็ร so so so ู rick, unknown, ้ว่าเราหิวข้าวเราง่วงนอนธรรมชาติก็รู้ว่าเราง่วงนอนเราไม่ง่วงนอนธรรมชาติก็รู้ว่าเราไม่ง่วงนอนเรานั่งอยู่เนี่ยธรรมชาติก็รู้ว่าเรานั่งอยู่เรายืนธรรมชาติก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งเราไม่ยืนธรรมชาติก็รู้ว่าเรานั่งอยู่เราไม่ยืนธรรมชาติเนี่ยมารู้ตัวเราเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาเวลาเราสบายใจธรรมชาติก็รู้วเราสบายใจไม่สบายใจก็รู้ว่าเราไม่สบายใจ เวลาใจเป็นสุขก็รู้ว่าเป็นสุขเวลาใจเป็นทุกข์ธรรมชาติก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์แต่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเราและไม่ได้แทรกแซงเราได้เช่นว่าเราหิวข้าวเนี่ยมันชัดเจนมากเลยธรรมชาติก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยหิวข้าวธรรมชาติก็รู้ว่าตัวเราหิวข้าวแต่ธรรมชาติเนี่ยจะมาช่วยให้เราเนี่ยหายหิวข้าวไม่ได้ ธรรมชาติจะมาช่วยให้เราตัวเราใหญ่อยู่ข้าวไม่ได้เราจะหายหิวข้าวได้เราต้องเอาใส่ขันห้าเนี่ยขันห้าคือร่างกายที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเอาไปช่วยตัวเองตักข้าวมากินให้หายหิวข้าวธรรมชาติของขันห้าเนี่ยต้องช่วยขันห้าธรรมชาติของขันห้าต้องช่วยขันห้า แต่ธรรมชาติของที่มารู้ขันห้าคือรู้ร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันไม่ใช่ขันห้าและก็ไม่ใช่มันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือไครแต่ไม่เราเนี่ยขนาดเราไปแอบไปแอบทําอะไรอยู่ในที่ลับไม่ให้ใครเห็นเลยเราหนีธรรมชาติที่มารู้ตัวเรารู้กายรูใจรู้้รูธรรมชาติรู้ตัวเราไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปแอบทําอะไรซ่อนเล่นที่ไหน เราหนีความจริงของตัวเราไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันจะตามรู้เราไปตลอดเวลาเลยเราไปแอบทําชั่วแอบทําบาปกรรมในที่ลับที่แจ้งมันจะตามรู้เราได้หมดตลอดเวลาธรรมชาติรู้อันเนี้ยเราปกปิดไม่ได้ปกปิดเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจรู้ทั้งเราเนี่ยทําบาปทําบุญกุศลอะไรก็ตามเขาได้แต่รู้ว่าเราเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ อันนี้เนี่ยมันจึงเป็นนรกได้ไปขึ้นสวรรค์ไปอะไรเนี่ยแต่ขันห้ามันดับตอนตายอ่ะไอตัวร่างกายเนี่ยมันเน่าทุกคนก็ยอมรับว่าร่างกายเนี่ยต้องเน่าหมดไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยพอตายแล้วก็เหมือนท่อนไม้ดับลงแต่สิ่งที่ไม่ดับที่มันไายกาดก็คือเนี่ยเนี่ยไอธรรมชาติรู้นี่เนี่ยมันไม่ดับและทุกอย่างบันทึกไว้ในนี้ ในธรรมชาติรู้เนี่ยเหมือนเทปที่ถูกบันทึกเอาไว้เวลาเขายมมาทูดเขามาลากักเอาธรรมชาติรู้ไปเนี่ยเขาก็จะไปคลี่ออกดูเขาก็จะรู้เลยว่ามันถูกบันทึกไว้ในเนี้ยทั้งความดีและความชั่วตลอดเวลาที่เกิดมาเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติที่มารู้ตัวเราแต่ไอตัวเราเนี่ยที่ร่างกายแล้วก็ไอตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ย มันเป็นธรรมชาติที่ต้องแตกดับแต่ธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเนี่ยไม่แตกไม่ดับไม่ไม่มีใครทำลายได้แม้แต่นิพพานแล้วก็ทำลายอันนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างลองเราลองคิดดูสิสมมติว่าเรานั่งอยู่เนี่ยอะพอดีบางคนก็พาแฟนเขาสวยมากเลมเค้ก็พาแฟนมาหล่อมากเลยสวยมากเห็นปุ๊บจิตก็คิดในทางอภสุกับเขา กิจในคิดในตาอกุศลกับแฟนเขาถามว่าใครรู้ก็ไอเนี่ยธรรมชาติมันรู้เราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยคิดอกุศลก็ทั้งที่เราพยายามจะปกปิดไม่ให้มันรู้แต่มันก็มีธรรมชาติหนึ่งที่เราปกปิดไม่ได้คือมันรู้ว่าเราคิดอกุศลกับแฟนเขานี่เนี่ยมันถูกบันทึกไว้แล้วมันก็ไม่ดับซะด้วยอันเนี้ยแต่ไอขันห้าเนี่ยมันดับคือไอร่างกายเนี่ย มันดับและไอจิตที่คิดในทางอกุศลกับแฟนเขาเนี่ยเวลาตายแล้วดับฟังให้ดีนะจิตที่คิดเนี่ยมันดับแต่รู้มันในดับมันบันทึกเอาไว้ว่าคุณไปแอบทําอะไรบ้างมันไม่ดับธรรมชาติรู้มันจึงไม่ใช่ไปดับความคิดได้แต่มันบันทึกความดีและความชั่วไว้แต่เราไปดับ เอาธรรมชาติรู้เนี่ยมาดับไม่ให้เราไม่คิดไม่ได้เราทําไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ว่าเราคิดอะไรมาตามบันทึกหมดแต่มันจะมามาดับมาให้เราเนี่ยไม่คิดไม่ได้ดังนั้นที่โกยพูดเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าถ้าเราจะมาฝึกแล้วทําไมมันมันยังคิดอยู่เหมือนไม่ยอมดับดับเราก็เข้าใจผิดแล้วเราก็ใจบาปมันมีหน้าที่บันทึกมันไม่มีหน้าที่มาดับตัวเราได้ ทำไมพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยละบาปซะเพราะอะไรไม่งั้นมันจะถูกบันทึกไว้ด้วยเนี่ยธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเนี่ยแหละถ้าเราละบาปหมดธรรมชาติที่รู้เนี่ยมันก็มีบันทึกแต่บุญไม่มีบาปเราปฏิบัติยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติของความจริงพ้นทุกไปเวลาเราตายแล้วเวลาเข้าไปครี่ออกดู ในธาตุรู้เนี่ยในธรรมชาติของธาตุรู้ก็ไปคลี่ออกดู้เขาก็ไม่พบเลยมีแต่บาปไม่พบความบาปเลยวิจาบุณวิจาบุณเออมันก็เลยไปสวัยไปเสวยสุขในตะวันค์แล้วมันก็คลี่อยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของรู้เนี่ยไม่มีหน้าที่มาสกัดกั้นเราไม่มีหน้าที่มาสกัดกั้นมีหน้าที่บันทึกอย่างเดียวเหมือนกับเป็นเครื่องบันทึกเทปหรือเครื่องฉายวิดีโอ ฉายตัวเราฉายร่างกายจิตใจตัวเราที่ทําบุญหรือบาปดีหรือชั่วตั้งแต่เล็กจนตายวิดีโ อ, อ Man? ที่มาฉายเราเนี่ยที่มาส่องเราไว้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเหมือนกับไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยที่มาฉายเราทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยอันเนี้ยมันมาช่วยอะไรเราไม่ได้มันมาช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะว่ามันได้แต่เป็นเครื่องบันทึกตัวเราทั้งร่างกายและจิตใจทั้งดีและชั่วบุญและบาปมันได้แต่บันทึกตัวเรา แต่มันจะมาช่วยทําให้เราเนี่ยเรารู้รู้ทําวทำไมยังคิดอีกรู้รู้แล้วทำไมยังคิดอีกมันช่วยตัวเราไม่ได้มันช่วยตัวเราไม่ได้เดข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆละบาปแล้วก็คิดดีพูดดีทดําดีเป็นบุญเอาไว้แล้วอ่านที่สามมาฝึกให้เป็นรู้ตามธรรมชาติไว้ให้เราเนี่ยไปเป็นรู้ตามธรรมชาติ น, นซะซักอย่ามาเป็นตัวเราที่ถูกรู้ ให้ตัวเราเนี่ยไปเป็นรู้ตัวเราอย่างธรรมชาติคือรู้อย่างตรงไปตรงมาอย่าไปพยายามแทรกแซงอย่าไปไปดับอะไรเราก็จะไปเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่มันรู้ตัวเราฟังทันไหมเนี่ยเอาฟังใหม่นะฟังตรงตรงนี้ใหม่ตั้งใจฟังให้ดีนะตรงเนี้ยมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรทรมเพีทเน่ว่าเราจะต้องมาฝึกตัวเราันทุกคน ธรรมชาติของความรู้เนี่ยหรือการรับรู้ตามธรรมชาติเนี่ยเขามีหน้าที่มารู้เราอย่างตรงไปตรงมารู้ทั้งร่างกายรู้ทั้งจิตใจทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราทําดีทําชั่วคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลเนี่ยธรรมชาติรู้อันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่เราลองถามเขาดิว่าไคร่วะมารู้เราตลอดเวลาเลยเนี่ยไข่มารู้ตัวเราตลอดเวลาเลย เราจะปกปิดไม่ให้เขารู้ก็ไม่ได้คั้นถามเขาว่าใครอ่มารู้ตัวเราตลอดเวลาเลยเนี่ยเราจะพยายามปกปิดในที่ลับเราจะไปทําบาปกรรมไปทําชั่วอะไรในที่ลับเราพยายามปกปิดไว้แต่เราปกปิดธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเนี่ยปกปิดไม่ได้คั้นถามว่าแล้วธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเป็นใครใครว่าเดชพุทธผู้ยำยามเลยก็ใครว่ามารู้กูอยูตลอดเวลาเนี่ยใครวะเนี่ย เพราะอะไค้านถามเข้าก็ไม่รู้ว่าตัวมันคือใครแล้วถามว่ามันอยู่ที่ไหนใครว่าที่มาลูกคุตลอดเวลาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนว่าแอบลูกคุตลอดเวลาเลยค้านถามเข้าก็ไม่รู้ว่ามันคือใครและไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วถามเข้ากันถาใครว่ามาลูกคุณตลอดเลรู้ทั้งร่างกายรู้จิตใจรู้ทั้งดีและชั่วรู้กุจะไปทําอะไรในที่ลับที่แจ้งคิดอะไรหนีในใจเนี่ยมันมันรู้หมดเลย ได้ตัวเนี้มันมันคือใครมันอยู่ที่ไหนรูปร่างมันเป็นยังไงมันมีแสงสียังไงมันเป็นยังไงไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้มีแต่พระเจ้าที่รู้เพราะพระเจ้ามาค้นพบอันนี้เนี่ยจึงมาสอนพวกเราเพราะไม่มีใครเลยในโลกนี้รู้าศาสนาก่อนพทธเจ้ามีมาแล้วทุกาศาสนามากมายาศาสนาไม่มีใครรู้ไม่รู้ว่าไอ้ที่มารู้เราเนี่ยคือใคร จวกระทั่งเขาเขาพูดก็บเออเขามีเอาน่ะทำเป็นมันเอ่อเป็นเหมือนกับปัญญาแต่ก็ไม่ใช่ยัญญาเป็นคําสอนนี่แหละคือว่าคำถามอะแล้วใครว่ามารู้มารู้ตัวเราตลอดเวล า, าว่าเองเป็นใครวะมารู้มารู้กูตลอดเวลาพูดอย่างงี้เองก็เป็นใครมารู้มารู้กูตลอดเวลาเลยเนี่ยเองเป็นใครพอถามเข้าก็จะได้รับคำตอบว่า ไอ้ไอ้ไอ้ที่มารู้เราเนี่ยเขาจะได้คําตอบในใจเราวะกูเนี่ยก็คือมึงนี่แหละมึงไม่รู้ตัวเก็ตไหมเนี่ยไม่เก็ตใครเก็ตมั้งเอามปเอาไห ม, ม, มันเส้นผมบางภูเขานิดเดียวนะเนี่ยเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเราเนี่ย แอบคิดอะไรกับใครในทางกูศสนับผู้สในใจเราแม้แต่แวบเดียวเนี่ยมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรมันจะรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยเราจะไปหลบทําอะไรในที่ลับที่แจ้งมันจะรู้ตัวเราตลอดเวลาเราคิดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็เลยถามมันว่ามึงเป็นใครว่าที่มารู้กคุตลอดเวลาเนี่ยมึงเป็นใครเนี่มึงเป็นใครว่ามาลุกูตลอดเวลาแล้วกูจะไปแอบทําอะไรมึงรู้หมดเลยมึงเป็นใคร พอถามเขาจะได้รับคําตอบในใจว่ามึงถามกูทําไมก็กูนี่แหละคือมึงมึงไม่รู้จักตัวมึงเองนั่นแหละกูนี่แหละคือมึงกูเลยรู้จักเลยรู้มึงตลอดเวลาไงเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ผู้รู้นัน่นแหละที่มารู้ตัวเราเนี่ยแท้จริงคือตัวเราที่แท้จริง แต่ไอตัวเราเนี่ยที่ที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเราเข้าใจมันผิดมาตลอดเลยเข้าใจว่าไอตัวนี้คือตัวเราแต่ถ้าเราลองคิดให้ดีดิไอตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเดี๋ยวเน่าเลยเดี๋ยวคนอั้นเน่าเดี๋ยวคนนี้เน่าเน่าแล้วก็ก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ได้ดังนั้น่ะไอตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เดี๋ยวมันกัเน่าแล้ว เป็นท่อนไม้แล้วก็เน่าเลยมันจริงไม่ใช่ตัวเราไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเรามันเลยพูดว่าไงว่ากูนี่เนี่ยคือมึงมึงไม่รู้ตัวมึงเองแต่มึงไปตู่เอาไอ้ขันห้าเนี่ยไอ้หลังการที่ไม่ใช่ตัวมึงเนี่ยว่าเป็นตัวมึงแต่แท้จริงไอ้ที่มารู้ตัวมึงเนี่ยนี่อย่าคือตัวมึงที่แท้จริงคือตัวเราอะที่แท้จริงแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มาถูกรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง เมื่อไรเนี่ยเราจะค้นพบตัวเราที่แท้จริงคือตัวที่มารู้ตัวเราอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาที่แทรกแซงอะไรก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีเครื่องมือไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันคิดก็ไม่ได้มีอารมณ์อะไรก็ไม่ได้มันได้แต่รู้ตัวเราอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมชาติที่รู้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนกับไอ้โท ร, ร, รทัศน์วงจรปิดที่มันแอบแอบส่องไว้ตลอดเวลาเราเน่ยแหะคือตัวนั้นแต่เราเนี่ย เราเอาผิดตัวทุกชาติไปคือพอเราเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคานเป็นงูไอ้งูที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ได้แล้วก็บอกไอ้งูเลื้อยคานนี่คือตัวภูแต่ถ้า ง, งูนี่มันถามว่าใครว่ามัรู้ตัวปูตลอดเนี่ยไอ้ปูรู้เนี่ยบางทีตอบว่ามึงก็สิตัวนี้แนี่คือมึงไม่ใช่ตัวเลือ้อยคลานนี่เราก็ไม่เข้าใจสักทีต่อมาเราไปเกิดเป็นสัตว์ปีกบินได้ไอ้สัตว์ปีกเราก็บอกไอ้สัตว์ปีกที่บินได้คือตัวเรา แต่เราเห็นไหมตอนแรกตายจากคนเลยที่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างคนเสร็จแล้วไปไปกลายเป็นงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีความรู้สึกนึกคิดอย่างงูไปมีความรู้สึกนึกคิดอย่างงูเสร็จแล้วไอ้งูเนี่ยมันคิดอะไรมันทําอะไรมันทํำบาปทากรรมอะไรก็ตามมันไปทําอะไรมันไปกินอะไรมันไปนอนยังไงก็ตามมันก็ต้องรู้ตัวมันตลอดว่ามันนอนมันอิ่มมันหิวมันเป็นยังไงมันก็ต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาแต่ไอ้งูนั่นน่ะมันก็ลืมไปอีกว่า ใครว่ามารู้ว่ากูนอนอยู่ใครมารอบกูกํากลังกินถ้ากูมันถามได้ไอ้กูรู้มันจะตอบว่าก็มึงอะกูเนี่ยคือมึงแต่มึงเนี่ยไปหลงเอาไว้ตัวที่เป็นงูเนี่ยคือตัวมึงเราก็จะไปอย่างเงี้ยทุกชาติไปเราจะไปอย่างเงี้ยทุกชาติพอเราไปเป็นสัตว์ปีกเราก็อา้าวไอ้ตัวที่เป็นงูตายไปแล้วมันก็ไอ้ความคิดอย่างงูกระดับไปไปเกิดใหม่มีความคิดอย่างสัตว์ปีก ไป ม, มีความคิดอย่างสัตว์ปีกทำไมมีความคิดอย่างสัตว์ปีกพอเราไปเกิดเป็นสัตว์ปีกพอเป็นตัวผู้มันก็มองเห็นนี่ไอ้สัตว์ปีกตัวเมียเนี่ยสวยมากเลยมันเลยมีความคิดอย่างสัตว์ปีกนะถ้ามันมีความคิดอย่างคนอย่างเก่าวมันมองไม่เห็นหรอกว่าไอ้สัตว์ปีกมันสวยยังไงอะแต่พอเราไปเกิดเป็นสัตว์ปีกแค่นั้นแหละมันก็มองพอไปเกิดเป็นตัวผู้มันก็มองเห็นไอ้สัตว์ปีกตัวเมียเนี่ยสวยมากเลยพอไปเกิดเป็นสัตว์ปีกตัวเมียมันก็มองเห็นไอ้ตัวผู้เนี่ แต่ถ้าเราเนี่ยยังมีความคิดอย่างคนเนี่ยติดไปเนี่ยมีตายแต่ร่างแต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นอย่างคนติดไปเราก็ต้องคิดอย่างคนว่าไปอยู่ในร่างไก่เราคิดอย่างคนว่าไอไก่ตัวนี้มันจะสวยได้ยังไงว่ามันไม่เห็นสวยจะหล่ อ, อเลยมันก็เป็นไก่แต่สภาพความคิดอย่างคนมันดับไปแล้วพอเราไปเกิดเป็นไก่เราเลยคิดว่าไก่ตัวผู้มันทำไมหล่อมากๆๆนลยพอเป็นตัวผู้ก็บอกไก่ตัวเมียเนนี้มันสวยมากเลยหลวงปู่ชอบฐานนสโมโหเนี่ย ท่านลลึกชาติได้ท่านเคยเป็นไก่เจ็ดชาติให้ก็เชื่อตายเพราะท่านหลงว่าไอไก่ตัวเมียมันมสวยมากเลยตอนที่ท่านไปเกิดเป็นไก่ตัวผู้น่ะมันความคิดอย่างคนดับไปไปเกิดใหม่เป็นความคิดอย่างไก่แล้วพอมันไม่หายทันทีมันไม่หายหลงทันทีมันก็เกิดอีกไม่หายหลงทันทีมันก็เกิดอีกตอนสมัยเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันถามไม่ได้ ว่าใ um ครว่ามารู้กูตลอดใครที่มารู้กูตลอดเนี่ยมาลูตัวเราตลอดเนี่ยอก็กูก็คือมึงนี่ไงมึงก็ไม่รู้ตัวมึงไปเอาไว้ตัวที่เกิดใหม่เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเป็นตัวมึงทุกชาติไปแต่แผลมึงนี่เนี่ยคือตัวเนี่ยที่ไม่ไปแตกไม่ดับมันถ่ายล่างไปทุกชาติเราเนี่ยไม่เกิดไม่ตายถ่ายล่างไปทุกชาติแต่ร่างที่ถ่ายไปแต่ละร่างเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ไอตัวที่มันถ่ายล่างออกไปเนี่ยที่ไม่มีวันแตกดับเนี่ยมันคือเรา เข้าใจมเนี่ยมันเส้นผมบางภูเขานิดเดียวตับท่านไปกดจันตรงนี้เราก็จะพูดยังไงเดี๋ยวเอะเข้าใจไหมเออช่วยช่วยช่วยเราหน่อยดิไหนไหนอธิบายหน่อยดิไหนใครเข้าใจตรงนี้ที่หลงหลว ง, ล ง, ล, งลงตาพูดเกี่ยวกับผูร้รู้ใช่ไหมคะผู้รู้ก็คือเราความคิดก็คือตัวเราก็เหมือนขันห้าก็ ตัวเรานี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะอย่างเนี้ยค่ะขันห้าทำไมนะขันห้านี่ก็คือคือคือเราเหมือนกันเออเป็นเราแบบสมมุติค่ะเออเป็นเราสมมติเพราะว่าเดี๋ยวมันตายค่ะแต่เราที่แท้จริงคือตัวที่มารู้ตัวเราคะไม่ตายคือเรียกว่าตัวสมมติว่าไอ้ตัวนั้นคือตัววิมุตติค่ะเพราะมันไม่แตกไม่ดับค่ะแต่ไอ้ตัวขันห้านี่ก็คือเราแต่มันเป็นเราแบบสมมติเดี๋ยวมันแตกดับค่ะแต่ตอนเรายังไม่ตายเนี่ยเราต้องมาใช้งานในตัวสมมุติ เพราะไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นวิมุตต์คือมันไม่มีกิยาการใดๆมันจึงมาช่วยตัวเราไม่ได้เช่นเราอยู่ข้าวเรารู้ได้แต่เพียงว่าอยู่ข้าวไอ้ตัวรู้ได้แต่รู้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวขันห้าเนี่ยไอ้ตัวสมมติเนี่ยหิวข้าวแต่ไอ้ไอ้รู้ที่เป็นวิมุตต์เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีเครื่องมืออะไรมันมาช่วย้ตัวขันห้าที่เป็นตัวสมมุติเนี่ยไปตักข้าวมากินไม่ได้ไอ้ตัวที่รู้จักไปตักข้าวมากินมันต่อยไอ้ตัวสมมติไอ้ตัวขันห้าเนี่ยเดินไปตักข้าวมาให้้้ไไอขขันนนนนกิิเเ่ยยล การทำงานานี้ประจำวันตอนยังไม่ตายต้องอาศัยขันห้าทำงานแต่เราต้องไปเป็นรู้ที่มารู้ตัวเราเข้าใจไหมตอนยังไม่ตายต้องอาศัยขันห้าทำงานต้องช่วยให้ตัวเองอิ่มง่วงก็ช่วยตัวเองไปนอนไม่สบายก็ช่วยตัวเองไปหาหม อ, เ, อเวลามันคิดอะไรทางอากุศลก็ช่วยตัวเองให้คิดในทางกุศลเออ มันคิดจะทําให้เราไปทําบาปก็ช่วยตัวเองไงคิดไปในทางที่บุญไอ้นี่มันเอาขันห้าช่วยตัวเองทั้งหมดเลยแต่อัที่รู้เนี่ยมันได้แต่รู้ว่าตอนนี้ยเราทําบาปตอนนี้เราทําบุญมันเราไม่สบายเราสบายเรามันมันได้แต่รู้เฉยเฉยมันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิมุติคือตัวตนไม่มีมันได้แต่รู้แต่ไอัตัวที่จะช่วยตัวเราเองอ่ะก็คือไอ้ตัวเราที่เป็นสมมุติมันต้องเอาสมมุติไปหาหมอไม่สบายไปไปตักข้าวมากินมันต้องเอาตัวสมมุติทํางาน เลยมันต้องอยู่คู่กันระหว่างสมมุติกับวิมุตคือไอ้วิมุตเนี่ยมารู้ตัวเราสมมุติคือตัวเราเราต้องทำงานคู่กันจนกว่าจะตายเราทิ้งไม่ได้แต่พอเราเข้าใจแล้วแบบเนี้ยเราก็เราพุกนาปัจจุบันใจเราไปเป็นไปเป็นวิมุตที่มารู้ตัวเราเราเนี่ยมันไม่ลหลงอีกต่อไปแล้วเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นไปเป็นวิมุตคือสิ่งที่มารู้ตัวเราไม่ใช่ตัวเราที่ถูกรู้แล้วเราก็รู้ว่าไอ้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันแทรกแซงไม่ได้อย่างที่โกยบอกว่า ทำไมมันรู้แล้วมันยังคิดมันก็คิดได้ไหมถ้ารู้มันยังคิดได้ไหมมันได้ดิเพราะว่าไอ้รู้เนี่ยมันแทรกแสกอะไรไม่ได้มันได้แต่รู้แต่ที่เราบอกว่ารู้แล้วมันทำไมยังคิดอยู่มันจะต้องไม่คิดไอ้เนี่ยมันไม่ใช่มันหลงมันหลงเออมันจะเอาขันห้าไปไปทําให้ไม่คิดไอ้ตัวสมุติเนี่ยมันจะาสมุติไปช่วยดับไม่ให้คิดแต่ถ้าไปรู้มันดับไม่ได้เพราะว่ามันได้แต่รู้ดังนั้นเราถามว่า เราถามย้อนกลับไปว่าถามผู้รู้เนี่ยเอ็เป็นใครวะมาู้คขาดตลอดเลยเนี่ยข้าจะทำอะไรรู้หมดเลยเนี่ย <c oughs> มันจะมีหนังเรื่องเนึ่งเราแชร์ไปเรื่อยตรงเนี้ยที่ก่อสร้างตรงนี้มาเรื่องอร <c oughs> ตักหมอตักหมอเรื่องตักหมอเออตักหมอพระโพธิธรรม พระโพธิธรรมพระโพธิธรรมเราจะดูออามันแต่ถ้าเราดูเอาปัญญาแล้วเราจะถึงความจริงอันเนี้คือตัดจะทำความจริงของปั๊กหมอเนี่ยคือปั๊กหมอเนี่ยเป็นพระารหัสเออปั๊กหมอนี่เป็นพผ่ารหัสแล้วก็เป็นองค์ชายสามจากประเทศอินเดียแล้วก็สำเร็จอัรหัสแล้วก็ไปเผยแพร่ที่เมืองจีนไปเผยแพร่ที่เมืองจีนเพราะว่าปั๊กหมอเป็นกษัตริย์เวลาไปเผยแพร่ที่เมืองจีนก็ไปพบกษัตริย์ก่อน ไปพบกษัตริย์ก่อนเพราะว่าไปติดต่อเพื่อจะไปเผยแพร่เมืองจีนแต่ทักษม์อไปเมืองจีนเนี่ยเพื่อจะไปหาลูกศิษย์ที่ประเทศจีนให้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เป็นเผยแพร่พุทธศาสน า, ษ า, ษาเพราะว่าเหตุใดเนี่ยทักม์อจึงพระโพธิธรรมชื่อจริงสัานๆคือพระโพธิธรรมทําไมจึงต้องละออดจากประเทศอินเดียมาประเทศจีนเพราะว่าท่านเป็นอรหันตสาวกองค์สุดท้ายที่อยู่ในประเทศอินเดีย เพราะท่านรู้ว่าอาจารย์ของท่านบอกว่าเมื่ออาจารย์ของท่านเนี่ยตายเจ็ดสิบปีพอดีอย่า ก, ก่อนนี้อย่าหลังนี้พอถึงเจดสิบปีนะับแต่วันตายให้ท่านเดินทางไปประเทศจีนโดยด่วนเพราะประเทศอินเดียจะถูกเ อ, อต่างชาติเข้ามาลุกลานหมดแล้วก็าศาสนาพุทธจะหายไปจากอินเดียทั้งาศาสนาฮินดูาศาสนาซิกาศาสนาอิสลามจะบุกเข้ามาทําลายที่ประเทศอินเดีย แล้วก็ศาสนาพุทธจะหายไปจากอินเดียให้ท่านเนี่ยรีบออกจากอินเดียไปประเทศจีนอาจารย์ของท่านบอกว่า70ปีตอน70ปีท่านตายแล้ว70ปีให้รีบไปให้ไปที่ประเทศอินเดียพอถึง70ปีอินเดียก็ล่มสลายศาสนาพุทธอินเดียล่มสลายถ้าก็เลยไปที่ประเทศจีนไปเพื่อไปเปผยแพร่พุทธศาสนาที่ประเทศจีนนี่แน่มันก็เลยเป็นอเนกที่มาที่ว่าเอ้ยที่มัน ที่ตอนเริ่มเปิดฉากเขาก็เนี่ยตอนที่มันเป็นองค์างชายสามที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยตอนที่จะมันรู้รมเนี่ยเขาก็นอนอยู่แล้อยู่ต้นไม้แล้วก็ตบตุ๊บลงมาเอาหล่นตุ๊บมาอา้าวมาเห็นคนตักบวชเนี่ยเอาผ้าปิดหัวหมดเลยมีหมอกบางเต็มไปหมดเลยบางๆแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครออเท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอันนี้มันเป็นวัดราชาวังของเรามันเป็นสวนเป็นเป็นพระราชอุทยานของเรา ถ้าท่านมาอยู่นี่ได้ยังไงน่ะแล้วท่านเป็นใครเนี่ยเจ้าไม่รู้จักตัวเองเราเนี่ยก็คือเจ้านี่งาเป็นที่มาครับพระที่ที่ท่านห่มขาวเนี่ยที่ท่านเอาผ้าห่มไว้ปิดปิดปิดแล้วอาไอยไอ้มีหมอกคุมท่านเนี่ยปกคุมท่านหมดเนี่ยแล้วตอนที่ อ, องค์ชายสามพระพพธิชัยตอกต้นไม้มาเนี่ยเจ้าถามว่าท่านน่ยคือใครทำไมจึงมาอยู่ในสวนนี้ได้เจ้าไม่รู้จักตัวเจ้าหรือไง เรานี myself, ่แน่ต <McK en na> so ้อคือเจ้าเจะมาพูดอะไรอย่างงี้อเจ้าเนี่ยไม่รู้จักตัวเจ้าและจริงเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้จักผู้ที่รู้ตัวเราแล้วทำไมมารู้เราหมดเลยเรารู้ทุกอย่างในตัวเจ้าใครผู้รู้เนี่ยมันเลยรู้ทุกอย่างในตัวเราไงแต่เจ้าเนี่ยไม่รู้จักตัวเจ้าเข้าใจไหมคือ คุณเป็นใครเนี่ยจะมาจะมารู้เรื่มทุกอย่างในในตัวเราเนี่ยอผู้รู้เนี่ยแหน่ก็เลยตอบว่าเราเนี่ยก็คือเจ้าเราก็เลยรู้จักเจ้าตลอดเลยรู้เจ้ารู้จักเจ้าทั้งหมดนะแหน่แต่เจ้าสิกลับไม่รู้จักตัวเองเพราะเจ้าไปเอาขันห้าที่เป็นตัวสมมุติมาเป็นตัวเองแท้จริงเจ้าคือตัววิมุติคือตัวที่รู้ตัวเองอันเนี้ยคือตัวเจ้าที่ไม่มีวันแตกไม่มีวันดับไม่มีวันถูกทําลาย แต่ขันห้าเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปแต่ละร่างแต่ละร่างเนี่ยมันแตกดับทําลายไปทุกร่างความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่อยู่ในร่างนั้นก็ดับไปด้วยแล้วไปเกิดใหม่แล้วก็คิดอย่างใหม่เกิดดับเก็คิดอย่างใหม่เมื่อเราไม่เข้าใจสักทีว่าเราแท้จริงคือใครเราจึงหลงอย่างเนี้ยไปชาติแล้วชาติแล้วในร่างใหม่จนกว่าเราจะพบตัวเราที่แท้จริงเราจึงเบื่อหน่ายที่จะไปอยู่ในร่างที่เป็นสมมุติเราเลยกลายไปเป็นวิมุติคือกลับไปตัวเราดังเดิม เข้าใจไหมล่ะเออที่พูดไปพูดมาแล้วเพื่อให้เข้าใจตรงนี้แหละวนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยท้ายเราปฏิบัติที่สุดสูงย่างไรก็ตามก็วนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยวนมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เราแชร์กันไปนี้ก็ก็สร้างดีเองอมันไอเนี้ยมันบอกว่ามีคำภีวิเศษมีคำภีวิเศษใครก็ใครเนี่ย สแสวงหาความพีวิเศษเนี่ยจนฆ่ากันตายขุนสุดพวกเก่งๆอะไรก็ตามพยายามจะสแสวงหาคัมภี์วิเศษอันเนี้ยเพราอยากได้คมพี์วิเศษนี้ไรดาครอบครองแล้วจนทั้งมีคนสุดท้ายเนี่ยมีคนเนี้ยเขาก็บุกขึ้นมาจนคนอื่นก็ตายกันไปหมดแล้วสู้กันจนตายกันนะคนเนี้ยก็บุกเข้ามาจนถึงเนี้ยเนี่ยจนถึงที่เก็บคำพี์เนี่ยเขาก็มาท้าสู้กับคนที่เก็บคมภีร์คนที่เก็บคมภี์ก็บอกว่า ก็พยายามจะเอาน้ำมาให้กินพยายามอะไรมาเขาก็แมวเข า, เ ร, าะระวังตัวเขาปวดตั่าตายเพราะเขาจะมาจะมาชิงคัมภีกับกับคนที่เก็บคมภีสักสิทธิ์ทีแม้แต่คนที่เก็บคมภีจะเอาน้ำมาให้กินจะดูแลเทคแคร์ care, เขาอย่างไรดีเขาก็ไม่ยอมเขาจะถึงเวลาเมื่อไหร่จะสู้กันทันทีเขาจเจ้าคัมภีเขาก็เลยบอกว่าไปที่นี่ก่อนไปนั่งที่นี่สงบใจที่นี่ก่อนอันนี้บอกไม่ได้เขาก็บอกว่าเนี่ยไปนั่งดูที่ ดีวาทัพที่สบายใจก่อนแล้วก็มีคนเขามนากันเต็มดูที่สงบใจที่สบายใจก่อนจะต้องรีบร้อนก็ได้แล้วก็เขาก็เลยยอมพอใจมันสงบแล้วเขาก็ไปเอาคัมภีร์มาให้เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขาจะเอาแต่คัมภีร์เอาแต่คัมภีร์อะไรก็เอาไปให้เอาคัมภีร์มาคัมภีร์เปิดไปคัมภีร์เจออะไรรู้ไหมคัมภีร์วิเศษอะ่ะ เปิดไปแล้วเจออะไรในคำพีคนทั้งหลายสแสวงหาคำพีอันศักดิ์สิทธิ์คำพีำพนี้นเปิดไปเจออะไรไหมเปิดไปหน้าที่หนึ่งเจอกระจกเงามองเห็นตัวเองเปิดไปหน้าที่สองอีกอ้าวคำพีพิเศษทาไมมีแต่กระจกเงาเนี่ยมองเห็นแต่ตัวเอง เ, เปิดไป แผนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าสงสัยอทําทําไมคำพิพเศษแผ่นแรกมันเไม่กระจุกเงามองเห็นตัวเองแผ่นที่สองอีกเริ่มจะเข้าใจเพราะว่าคนที่มาเปิดมีปัญญาลึกซึ้งพอเปิดแผ่นที่สามเนี่ยเจอตัวเองอีกตอนนี้เขาก็เลยเริ่มหน้าหลังๆเนี่ยเขาก็เลยยิ้มเพราะเขาเข้าใจถึงใจว่า คำพีวิเศษเนี่ยแท้ไม่มีตัวหนังสือการที่จะพบคำพีวิเศษเนี่ยที่สุดพบอะไรพบอะไรคำพีวิเศษมาเปิดมาพบที่สุดแล้วมาเจอคำพีวิเศษเปิดแล้วพบอะไรในคำพีอะตัวเองพบตัวเองแล้วแผ่นสุดท้ายของคำพี์จะเจออะไร อันมันมีกระจกแต่แผ่นสุดท้ายไม่มีกระจกมันมีทุกอันเนี่ยในหน้าแรกมีแต่กลมๆและมีกระจกมีกระจกเงาสอนอยู่แผนที่สองก็มีกระจกแผนที่สามก็เป็นกระจกแผ่นสุดท้ายมีแต่วงกลมที่ว่างเปล่ากระจกไม่มีขเข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจไหมทําไมแผ่นแรกมีกระจกเห็นตัวเองเพราะแผ่นที่สองเขาเริ่มยิ้มออกพราะแผ่นที่สามเนี่ยเขาเริ่มยิ้มอย่างเต็มที่เปิดเผยเลยเพราะแผ่นที่สี่เนี่ยเจอแต่วงกลมที่ว่างเปล่าเข้าเลยหัวล้ะเลยหัวล้ะกล้องคว้าเลยเนี่คือสิ่งที่เขาสแสวงหาจุดสุดชีวิตสุดท้ายพบอะไร ผู้เละผู้รู้ที่แท้จริงคือความว่างเปล่าละนะั่นแหสิ่งที่พวกเราเนี่ยหลวงตาพยายามจะสอนพระพุทธเจ้าพยายามจะสอนพวกเราให้พวกเรามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติแล้วได้อะไรปฏิบัติให้พบตัวเองเมื่อพบตัวเองแล้ว จึจะถึงซึ่งความว่างเปล่าเพราะตัวเองเนี่ยคือผู้รู้ที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนเป็นอมตะตลอดการดังนั้นเนี่ยผู้รู้ที่ว่างเปล่าเนี่ยไปดับความคิดไม่ได้กูรู้ไหมไปดับอะไรไม่ได้ถ้าเมื่อไรเราเป็นผู้รู้ที่ว่างเปล่าเราแน่นแน่จึงเป็นอมตะตลอดการ แล้วไปอยู่กับขันท่าที่เป็นสมุติไปจนปล่อยให้ขนหันท่าจะแตกตับไปตามกาลเวลาแต่ใจเราเป็นผู้รู้เป็นวิมุตติผู้ผู้ที่ว่างเปล่าแล้วเราก็เป็นผู้รู้ที่ว่างเปล่าอย่างเป็นอมตะตลอดกาลเป็นหนึ่งเดียวในธรรมชาติในจักรวาลที่ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่หายตัวไปเปเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าอยาอ่างอมตะตลอดกาลเราก็ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะเราเป็นความรู้เรารู้แล้วว่าเราแท้จริงคือผู้รู้ ที่เป็นความไม่มีตัวตนเป็นความว่างเปล่าหน้าสุดท้ายของกัมปีมันเลยเป็นความว่างอะละมันเลยเป็นวงกลมที่ว่างเปล่ามันไม่มีกาจบเราเลยขี้เกียจไปเข้าอยู่ล่างโน้นร่างนี้อีกต่อไปเพราะว่าไปอยู่ล่างไหนมันก็เป็นทุกทุกล่างไปเราไม่เอากับพื้นสู่เราเองธรรมชาติของเราดั้งเดิมดีกว่ากับพื้นสู่ความว่างเปล่าที่เป็นความรู้ในธรรมชาติดังนั้นที่ใดอาจจะกล่าวได้ว่าที่ใดมีความว่างที่ไหนมีแดดมีลม มีน้ำมีแผ่นดินมีความว่างมีร่างกายมี จ, จิตใจมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอรหันต์อยู่ทั้งหมดในทุกที่เพราะกลายเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าทุกท่านกลายเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าเป็นอันเดียวกันเลยอยู่ในทุกที่พระพุทธเจ้าอยู่ในทุกที่พระธรรมพระอรหันต์ความรู้ของพระธรมรมพรรุทธเจ้าบาลานที่ดับแล้วที่ไปถึงความรู้แล้วเป็นเหมือนกันหมดคือไปเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าเหมือนกันหมด เปรียบ <P an> เหมือนกับว่าพอน้ําที่เป็นน้ําที่เป็นความรู้ที่วา่างเปล่าไปหยดในน้ําเรากลายเป็นน้ําหยดหนึ่งแล้วปุ๊บก็น้ําเนี่ยไปหยดในทะเลพระพุทธเจ้ากลายเป็นน้ำนนนำนนํำมาหยดหนึ่งก็น้ำเนี่ยไปทะเลอรหันต์เป็นน้ํำมาหยดหนึ่งก็ไปในทะเลพอทุกท่านเข้าถึงความรู้แล้วที่บรรลุตัวเราไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราที่ถูกรู้ไม่เป็นตัวสมเป็นตัววิมุตต์แล้วทิ้งเอาสมมติไปหมดแล้วพอตายแล้วเหลือแต่วิมุตต์มันก็เหลื่อมเหมือนหยดน้ำเนี่ยหึหยดแล้วประหยดลงในทะเลเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ความรู้ของพุทธเจ้าเราประกองอยู่ตรงนี้ความรู้อหรหันต์ประกองอยู่ตรงนี้ความรู้อหรหันต์ท่านนี้ประกองนี้พุทธเจ้าองค์นู้นกองนี้พุทธเจ้าองค์นั้นกองนี้มันไม่กองหรอกเพราะว่ามันก็เหมือนน้าเนี่ยพอรอน้ำหยดหนึงแล้วเราไปหยดในทะเลแล้วเป็นไงมันก็เป็นอันเดียวกันเขาจึงเรียกว่าเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันกลายไปเป็นธาตุอันเดียวกันคือาธาตุรู้ที่ว่างเปล่าอันเดียวกันไม่ได้แบ่งแยก เพราะกลายเป็นน้ําอันเดียวกันในมหาสมุทรนั้นเหมือนกับตักน้ําในมหาสมุทรขึ้นมาตักตรงไหนก็เจอพระพุทธก็ถามพระอรหันต์ตักตรงไหนในความว่างก็เจอพระพุทธก็ถามพระอรหันต์ตักตรงไหนในความว่างระเจอพุทธก็ถามพระอรหันต์หมดพระพุทธก็ถามพระอรหันต์จึงเป็นอันเดียวกันเลยนั้นเวลาเราบริกรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้แจ้งแล้วผู้รู้ที่เป็นวิบุติแล้วพุทโธคือผู้รู้ที่เป็นวิบุติที่มารู้ตัวเราเนี่แหละไม่ใช่ว่า ตัวเราเนี่ยที่เป็นขันห้ามารู้ตัวเราแต่เป็นวิมุติที่มารู้ตัวเราที่เป็นตัวผู้รู้นี่ยไม่มีความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเป็นตัววิมุติอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพุทโธดังนั้นพระอรหันต์ก็เป็นพุทโธพระธรรมก็เป็นพุทโธพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทโธดังนั้นที่เราเอ่ยนามพุทโธพุทโธจึงรวมพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์แต่ที่เราท่องในปากเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงใจผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นตัวสมมุติไว้ก็คืออะไรเราเอาขันห้ามาท่อง มันเลยเป็นตัวสมมุติเมื่อไหร่ที่เรามารู้ตัวเราเองอย่างตรงไปตรงมาที่ท่านจึงกล่าวว่าถ้าหากเรามารู้ตัวเองอย่างตรงไปตรงมารู้ซื่อจึงเป็นนิพพานหรือพระุทธเจ้าตัดกับพยยะและพระมาลุมประยบุตรว่ามาลุมประยบุตรปวดเมื่อแก่แล้วมันจะไม่ทันจะตายซะก่อนก็ถามพระเจ้าว่าคุณถามพระเจ้าว่าจะมีวิธีใดรักที่สั้นที่สุดเพราะว่ามันจะตายแล้วแต่จะไม่ทัน รวมทั้งภยะที่เป็นฆราวาสด้วยพระพุธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอสักต่วัรู้รู้ร่างกายจิตใจของเธอเองเนี่ยเธอสักต่วัรู้ตัวเองเนี่ยที่เป็นตัวสมมุติเนี่ยถ้าเธอสักตะวันรู้อย่างตรงไปตรงมารู้ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมารู้ตัวเราเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาจะมีความอยากอะไรเข้าไปคนนะถ้ามันมีรู้แล้วมีความอยากเข้าไปปนมันเป็นตัวสมมุติเป็นตัวขัดหน้ามันมีความอยากได้แต่รู้เนี่ยมันไม่มีความอยาก ตรงนี้สําคัญนะอย่าอย่าฟังอย่าฟังข้ามนะความรู้ที่เป็นวิมุตต์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มารู้ตัวเราโดยไม่มีความอยากรู้อย่างตรงไปตรงมาดังนั้นเมื่อไหรที่เรามารู้ตัวเราอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีความอยากตนเราจะกลายเป็นธรรมชาติรู้ที่เป็นวิมุตต์ดับไปเดียนตัวเดียวดับความอยาก พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ดับตัวเดียวดับความอยากเหลือแต่รู้ที่ไม่มีความอยากคนเรามาฝึกกันทั้งหมดก็ฝึกอย่างนี้แนะ่พยะฟังจบเป็นฆราวาสบรรลุอรหันต์ทันทีพระเจ้าตัดว่าไม่ว่าเป็นฆราวาสหรือเป็นพระเหลืองกว่าเหลืองพระบรรลุตั้งแต่โสดาบานันสกะตาค า, ามีอนาคามีลานเรียกว่าพระหมดเรียกว่าพลเงินพระเพราะใจเป็นพระแล้ว ใจเป็นพระเรียกว่าพระหมดพุทธเจ้าเลยเรียกภัยยะว่าพระภัยยะเป็นพระขารหัยแม้แต่เป็นขารว่าหนะพอฟังจบปุ๊บอ๋อสักแต่ว่ามันก็เป็นใจธรรมดาที่เปน็นเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีความอยากไ ป, ปน็นถ้าเป็นรู้แล้วมีความอยากเ ป, ปน็นใดเป็นตนหรือรู้แล้วเข้าไปแทรกแซงพยายามไปดับความคิดได้มันเป็นขันหน้ามันถึงมีความอยากถึงพยายามจะไปดับอะไรได้ แต่รู้แต่เป็นธรรมชาติรู้มันดับอะไรไม่ได้อยากอะไรไม่ได้หรอกมันได้แต่รู้อย่างตรงไปตรงมาถ้าเราเนี่ยรู้ตัวเราอย่างตรงไปตรงมาก็จะพลัจับทุกข์ได้พยายามฟังจบก็รู้อารานเลยมารู้ก็จะบ่นฟังปุ๊บก็นำไปพิจารณาแป๊บเดียวก็รู้อารานเหมือนกันนนแน่นี่นนนคือคําสอนไม่ใช่เป็นคําสอนของเราแต่เป็นคําตัดของพระพุทธเจ้าโดยตรงจากพระโอษฐ์ไม่ใช่ว่าเราพูดขึ้นเองไม่ใช่ว่าเป็นคําสอนของเราแต่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเออ นั้นทึ่งบอกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเส้นผมบางภูงเขานิดเดียวนะบอกว่าเพียกแต่เราถามในใจเราว่าใครว่ามารู้เราตลอดเลยเนี่ยเราทําอะไรในที่รับที่แจ้งแล้วแอบคิดอะไรเอากระดูกเอาหัวนสนไปทําอะไรในที่รับที่แจ้งรู้เราตลอดได้ปกปิดก็ไม่ได้เองเป็นใครวม่อมารู้ฆ่าตลอดเลยเนี่ยมารู้ตัวฆ่าตลอดเลยเองเป็นใครคันถามผู้รู้ก็ว่า เองเป็นใครมารู้ข้าตลอดเลยอย่างใที่รับที่แจ้งนั้นรู้ตลอดเลยค้ดถามก็จะได้รับตอบว่าเองไม่รู้จักตัวเองอ่เจ้านี่ยไม่รู้จักตัวของเจ้าเองก็ข้าเนี่แหละคือตัวเจ้าแล้วเจ้จะมาถามทำไมก็ข้านี่ยแหละตัวเจ้าข้าเลยรู้รู้จักเจ้าตลอดเวลาไงเพราะข้าเนี่ยคือเจ้าแต่เจ้าไม่รู้เองไม่รู้จักตัวเองเจ้ากลับไปเอาไว้ตัวสมมุติซึ่งเป็นขันท่าเนี่ยเป็นตัวเจ้าเข้าใจไหมนะ อจะได้ว่ามาปฏิบ pues ienne, er, <pesos? S 1> ัต well. ิแล้วมันเอมันไม่รู้เป้าหมายว่าจะไปไหนจะปฏิบัติไปไหนทําไมไม่ได้เป็นอย่างนี้สัทีทำไมไม่เป็นอย่างนั้นสักทีทําไมไม่อย่างนู้นสทีทำไมไม่อย่างนี้สัทีเออมันก็ไม่รู้เป้าหมายตอนนี้มันก็เลยถามกันไปสเปกสปากคนละทิศละทางเพราะมันไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงลเราปฏิบัติเพื่อไปถึงธรรมชาติเพื่อกึนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของความรู้ที่ไม่มีความอยากความปรุงแต่งเข้าไปคน แล้วว่าปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าพระหลักทั้งหมดว่าปฏิบัติเพื่อแก่นี้แน่ประการนี้ลุงปูรีเราเนี่ยตอนที่ลุงตาไปสอนอยู่วัดธรรมสำมื่นที่ปากช่องไปเยี่ยมลุงตาที่วัดธรรมสำมื่กำลังสอนอยู่เจ้าว่าที่วัดธรรมสำมื่ถามลุงปูรีว่าลุงปูทำไมจิงสายยิงนักมองทะลุหมดเลยเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องอยู่อยู่กับลายของป as as ูธรรมดาอยู่กับอะไรเนี่ยอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ก็อยู่กับผู้รู้ที่ตัวรู้ตัวเราไง ไม่ไปเป็นตัวเราที่ถูกรู้อยู่กับผู้รู้ตัวเราเราตัวเองอ่ะตัวลงตายเองถามลุงปู่เหรียนวราโปที่หน้องคายเนี่ยเป็นพระหลานที่โด่งดังมากลุงปู่เหรียนเะนี่ยเพราะว่าได้ชื่อว่าเดินทางรอบโลกภายในอึจใจเดียวลุงปู่เหรียนวราโปถามลุงปู่เหรียนว่าลุงปู่เอ้เอ้ลุงปู่มรรู้ตอนเมื่ อ, อไรไม่รู้เลยสมัยก่อนผมไปหาลุงปู่ลุงปู่ยังไม่บรรลุไอ้ลุงปู่มาบรรลุเมื่อไหร่อืม ลูกป you know, you know, so ูมีอะไรเป็นที่หาเรธรรมีอะไรเป็นเครื่องอยู่เนี่ยอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้รู้อย่างตรงไปตรงมารู้ร่างกายรู้ทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติลูกปู่ทำอรรู้อย่างตรงไปตรงมาขอข้าถามลูกปู่ดูนะทูลเจ้าอย่างจริเป็นพระหลานกันลูกปู่อยู่กับอะไรใครมาถามท่านอยู่กับรู้อยู่กับรู้ก็อะไรก็รู้มันเป็นมันเป็นดิมุตไง ท่านก็อยู่กับรู้จนตายพอตายแล้วตัวสมมุติก็ดับหมดเหลือแต่รู้ที่เป็นวิมุตแล้วกลับคืนไปเป็นรู้อันเดียวกับพุทธเจ้าและพระอาหารหันตุกองค์หายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติที่ว่างเปล่านั่นเองนั่นแหะคือธรรมะท่าิรู้ที่ว่างเปล่าเข้าใจไหมนะปฏิบัติมาก็เพื่ออย่างนี้แน่แค่นี้เอง เ, เพียงแต่ว่าเพียรฝึกฝนที่มันยังไม่บรรลุกลับคืนสู่ธรรมชาติของผู้รู้ท่านรู้ที่เป็นวิมุติ บรรลุพันธิพานก็เพราะว่านิสัยของคนรู้อะไรมันมีความอยากเข้าไปคนนี่แนี่ยที่มันจะแก้ไม่ได้เลยทุกคนต้องมาฝึกเพราะไม่ว่าจะรู้อะไรเนี่ยถึงแม้จะรู้ปลายทางแล้วว่าจะต้องไปทางจะต้องเป็นอย่างไรที่สุดมันก็ไปอยากตรงปล า, า, า, ายทางเข้าใจะไปอยากตรงปลายทางไหมที่ตอนแรกอยากตอนอยากมันสเปะสัปบกหมดเลยพอ ม, มารู้ว่าสุดท้ายรู้มันคือ มันคือวิมุตต์รู้มันคืออะไรรู้มันคือความไม่มีอะไรไม่ปรากฏอะไรหายตัวไปในความว่างเปล่าตอนนี้มันก็ไปอยากให้เป็นปลายทางตอนนี้มันก็เลยไม่รู้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมันมีความรู้ปนความอยากไปถึงปลายทางมาปนตั้งแต่ตอนนี้เลยมันเลยหมดโอกาสเป็นปลายทางเพราะมันมีความอยากปนในรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่ามันอยากได้ตอนปลายทางคือรู้ที่เป็นวิมุตต รู้ที่กับคืนสูตรธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ว่างเปล่ามันไปอยากเอาปลายทางซะแต่อีตอนที่ยังไม่รู้ปลายทางมันก็อยากไปตลอดเลยอยากให้กายเบาใจเบาอยากให้จิตสงบอยากให้จิตมันเบามากเลยอยากให้มันนิ่งอยากให้มันว่างอยากให้มันเป็นอย่างนูอยากนั่นเป็นอย่างนี้อันนี้งเร็วกว่าอยากต้นทางแต่พอไปรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายเรามาปฏิบัติเพื่อรู้อย่างเป็นธรรมชาติที่ปลายทางตอนนี้ไปอยากเอาปลายทางเลยมันเลยไม่บรรลุพรนิพพาน มันเป็นเพราะอย่างนี้เพราะว่ามันนิสัยของคนน่ยมันตัดความอยากไม่ได้มันยากมากจึงต้องมาฝึกรู้เท่าทันความอยากแล้ววางลงไปรู้เท่าทันความอยากให้มันเหลือแต่รู้อย่ามีความอยากเข้าไปฝนฝึกไปจนกระทั่งความอยากมันน้อยลงไปรู้เท่าทันแล้วมันน้อยลงไปสมมุติว่าแหมตอนแรกมันอยากถึงร้อยปอร์เซ็นต์ ค่อยๆห้ทีละเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ค่อยๆเห็นหมดเห็นหมดเห็นหมดเหลือแต่รู้ที่ไม่มีความอยากผลมันก็เลยกลับคืนสู่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เข้าใจไมไอ้ที่มารู้ๆก็คือรู้ท่าสารความอยากในใจตนนี่นะไม่อยากให้ไนคิดนะเออไม่ใช่ไปอยากให้ไนคิดอีกนะเข้าใจไหม